เดี๋ยวเรามาฟังเคสต ด, ดีกันเลยจ้า <Yeah. S 2> พ่อของลูก มีดิสัยนักเลงมีอาชีพทำสวนเป็นหมอพื้นบ้านรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรเป็นคนทรงเจ้าและรับธรรมสนิพ่อจ ะ, จะเป็นคนที่ดื่มเหล้ามากสูบุรีเล่นการบันันทุกชนิดเจ้าชู้มีเมียและลูกมากไม่เคยจะรับผิดชอบต่อครอบครัว แม่เคยเป็นเมียนในทหารคนหนึ่งมีลูกสาวด้วยกันสองคนสามีของแม่น่ะก็เป็นคนเจ้าชู้มากเพื่อนแม่จึงได้แนะนำให้แม่น่ะมาจ้างพ่อทำสเสน่แต่เนื่องจากแม่น่ะเป็นคนสวยและครอบครัวมีฐานะดีเมื่อพ่อมาพบแม่เข้าก็เลยทำาสน่หให้แม่ ไม่อยู่กับพ่อแทนเพราะทางบ้างแม่รู้เข้าก็โกรธมากเพรตโกนของแม่มีฐานะทางสังคมจูงหลังแม่คิดที่จะกลับบ้านเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ก็เกิดตั้งคันขึ้นเสียก่อนแม่จึงไม่กล้ากลับบ้านและเด็กในคั์ก็คือตัวลูกเองแม่จึงเกลียดลูกมาก ยายๆกับแม่ก็ไม่ยอมรับว่าลูกน่ะเป็นหลานของตระกูลด้วยลูกมีพี่สองคนเป็นพี่สาวที่เกิดกับสา ม, มีคนเก่าของแม่และน้องที่เกิดกับพ่อเดียวกันอีกสามคนแต่แม่เลี้ยงตัวลูกแบบตามมีตามเกิดไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เหมือนลูกลูกอีกข้าคนแม่ เลี้ยงคนอื่นอย่างดีมีชุดสวยๆให้ใส่และมีขนมดีๆให้กินเสมอส่วนตัวลูกก็ต้องรอกินของเหลือจากพี่ๆพ่พอสอนลูกเสมอว่าไม่ให้โกรธแม่ที่แม่รักลูกไม่เท่ากันพอพ่อยุมมากก็ได้ป่วยเป็นนิว่วอาการหนักมาก มันดาเมียและลูกๆคนอื่นไม่มีใครสนใจพ่อเลยตอนนั้นลูกพ่ออยอายุก้าขวบรู้สึกสงสารพ่อมากคือหนึ่งพ่อปวดหนักมากลูกจึงตัดสินใจนำพ่อลงเรือพาไปโรงพยาบาลลูกพาพ่อไปโรงพยาบาลเพียงคนเดียวทุกครั้งติดต่อกันหลายปีพ่อจะบอกลูกเสมอ ขณะที่ไปโรงพยาบาลว่าให้ลูกรับผิดชอบดูแลแม่และน้องๆ อ, อย่าทิ้งเด็ดขาดพ่อนะทำผิดกับแม่มามากตัวลูกก็เป็นลูกที่พ่อหวังว่าจะทำตามที่พ่อขอได้พ่อขอให้ลูกอดทนไม่ว่าแม่จะสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำในสุดพ่อกระจากไปโดยหลับไปอย่างไม่มีใครรู้ ป้พ่อจากเราไปแล้วอายุพ่อได้เจสกปีพ่อพ่อตายแล้วตอนนั้นแม่อายุ44สี่ปีลูกอายุได้ส3บสาปีเพิ่งจะเรียนจบปหนึ่งแม่ให้ลูกออกจากโรงเรียนเพื่อมาช่วยทางบ้านเพราะแม่ส่งลูกเรียนทั้งหกคนไม่ไหว ลูกออกจากโรงเรียนนำมารับจ้างทําสว น, นหนึ่งลูกนําไปทํางานแล้วเจอกับเพื่อนของพี่ชายของแม่เขาไปบอกพี่ชาของแม่ว่าหลานเองตกต่ําขนาดต้องไปรับจ้างทําสวนแล้วรู้ไหมประธานครอบครัวงแม่รู้เขา้เขาก็สั่งแม่ว่าอย่าให้ตัวลูกไปทํางานแถวนั้นอีกเพราะพวกเขาอับอาย แม่จึงห้ามลูกว่าอย่าไปทำงานที่นั่นอีกแต่ลูกไม่ยอมแม่โกรธมากไล่ลูกออกจากบ้านตอนนั้นลูกก็เก็บผ้าเตรียมจะออกจากบ้านแล้วแต่เมื่อลูกคิดถึงคำสั่งที่พ่อเคยให้ไว้ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ลูกถือว่าสิ่งนี้เป็นสัจจะที่สาคัญที่สุดในชีวิตของลูก ลูกจึงไม่ออกจากบ้านและพย า, ยามไม่เถียงแม่อีกแต่แม่ก็มีเรื่องด่าและตีลูกได้ทุกวันและแว่บ้านลูกนะ่ะเป็นดงนักเลงอันดัพานแม้ลูกจะเป็นผู้หญิงแต่นิสัยลูกก็เป็นนักเลงอันดพานไปด้วยลูกถือว่าทำไมทำตัวให้มีนิสัยนักเลงจะถูกคมขืนได้ง่าย นอาจากนี้ยังเกิดจากแรงกดดันของแม่ที่มักด่าตีลูกทุกวันเมื่อลูกย่างก็สู่วัยรุ่นลูกเป็นร่างกายสูงใหญ่เหมือนผู้ชายมีนิสัยห้าวหาญเป็นหัวหน้าแก๊งมีผู้ชายอยู่ในแก๊งหลายคนมักยกพวกไปตีกันเสมอปกติลูกนั้ไม่เคยทำร้ายใครก่อนไม่เคยขโมยของของใคร เด็กก็จะไม่ยอมให้ใครโกงมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกอายุได้สิบสามปีลูกไปรับจ้างเฝ้าสวนให้คนแถวบ้านเขาโกงค่าจ้างลูกลูกจึงกโกรธแล้วก็ได้ไปพังสวนเขาจนราบขาบทั้งสวนเลยอีกครั้งหนึ่งน้องชายถูกกรุ่มตีสี่ต่อหนึ่งลูกจึงพานักเรงไปสี่คนไปลุมกระทืบรับ 4ต่อหนึ่งจัดการเิธีละคนโดยลูกไปยืนมงการอยู่ใกล้กลลูกเคยไม้พายฟาดหัวพระจนเลือดอาบเคยกระชากอัสระพระต่อยปากพระไปหลายทีสุดท้ายลูกก็ต้องกราบขอกระมาพระรูปนั้นแต่ลูกก็บอกว่าจะเกลียดพระไปจนวันตาย <c oughs> ต่อมา <c oughs> แม่ยกลูกให้พิชายคนหนึ่งเขามียุมากกว่าลูกสองรอบ เป็นคนเจ้าชู้อันพานไม่รับผิดชอบอะไรเลยสามีใช้ชีวิตแบบมีผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าจนกระทั่งเอาผู้หญิงเข้าบ้านลูกจึงคิดว่าต้องไปจากผู้ชายคนนี้ให้ได้ในสุดเราก็ตกลงย่า ก, กันสามีของเงินจากลูกสองหมื่นบาทเป็นค่าย่าลูกตกลงเ <laughs> พราะยาเสร็จสามีก็ <laughs> ตัวงเงินสองหบาทลูกก็ตอบไปขอไปเลียงลูกเธอเขาโกรธมากรังควานลูกทุกวิธีทางเจอที่ไหนก็ซ้อมที่นั่นซ้อมแล้วก็เอาเงินที่มีอยู่ในตัวลูกไปจนหมดประจวบกับในช่วงนั้นน้องชายคณเล็กซึ่งเรียนต่อระดับปชวชปีที่สองได้มีเมียระหว่างเรียนแล้วก็พามาไว้ที่บ้าน วิปากอะไรย่งนี้ช่วงนี้ลูกมีความทุกข์มากจเจอปัญหารอบด้านจึงตัดสินใจกินยาฆ่าตัวตายแต่น้องชายคนโตกลับมาเจอซะก่อนจึงไม่สมหวังต่อมาไม่นานลูกตัดสินใจแต่งงานใหม่เพื่อนี้สามีเก่าแต่และก็เหมือนเดิ ม, มดคือสามีใหม่เจ้าชู้มาก นี่ไม่พ้นลติดการพ น, นั้นโกหกเก่งแต่ลูกก็มีลูกชายกับสามีใหม่หนึ่งคนเป็นเด็กที่เลี้ยงยากเป็นโรคเกี่ยวกับเม็ดเลือดอาการหนักมากพอตอนเขาอยอได้สามขวบลูกก็ได้บนกับหลวงพ่อวัดไร้ขิงไว้ว่าถ้าเขาหายป่วยจะให้บวชเนนให้แล้วเขาก็หายจริงๆแล้วก็ได้ไปบวช แก้บน <laughs> <laughs> เดี๋ยวทําความเข้าใจก่อนนะเจ้าบวชแก้บนนี่ไม่มีนะ <laughs> บวชแก้บนนี่ไม่มีเออกลัวจังเลยจํารรษาญาติมีหรือปากผไม่รู <laughs> ้ <hum> <laughs> ตาลูกชายลูกอายุได้ขวบ ก, กว่าๆน้องสะพายคนโต <laughs> <laughs> ตาย ด้วยโรคปอดบวมน้องชายรับไม่ได้จึงดื่มเหล้าหนักทุกวันจนกระเพาะทะลุแล้วก็ตายตามสมหวัง<อ>ตายตามหลังจากพระยาตายได้หกเดือนแต่ก็ได้ทิ้งลูกชายอายุเจ็ดขวบไว้ให้ลูกอเอาไว้ดูต่างนะ อ, <laughs> อืมเขาท่าด<อ>ีเหมือนกัน ปี2540ลูก ป, ป่วยหนักหมอพบว่าลูกเป็นมะเร็งมดลูกระยะรายแรงหมอบอกว่าต้องฉายแสงแต่ลูกไม่ยอมทำพราะต้องใช้เงินมากกำเวนอะไรก็ไม่รู้เนี่ย<อ>ต่อมาการปว่วยก็มากขึ้นตัวบวมปวดมากมีเลือดออกมากนอน รอความตายอยู่ที่บ้านปวดหนักจนทนไม่ไหวจึงตัดสินใจกินยาพาราไปพาราไปแปดสิบเม็ดหลับไปสามวันสามคืนตื่นขึ้นมาไม่ยอมตายสักทีจากนั้นก็นึกว่า ไอ้ที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำพิธีจึงไม่ตายสมใจ <laughs> จึงไม่ตายสักทีไม่สมใจ <laughs> มีคนอย่างนี้ในโลกเ <laughs> ดี๋ยวดูหน้าเนะีย <laughs> โอ้เขียนมาเยอะจังเลยเนี่ยอพอขึ้นสิบห้าขันพรระ <Okay. S 1> ตรีหนึ่งลูกก็จุดทูปสิบหกดอก <laughs> จุดเทียนพร้อมด้วยดอกไม้ <Okay. S 1> สีแดง <Ooh. S 1> <laughs> อจามเอาไว้ก็แล้วกันนะ <laughs> แล้วก็เดินไปที่ทางสามแยกคือจะได้เลือกได้ไง <laughs> แยกนี้ไปนันลก <laughs> ไปอบายแยกนี้ <laughs> สวรรค์แยกนี้อยู่ในมนุษย์ไงซึ่งอยู่บริเวณด้านนอกตรงหัวมุมบ้าน และลูกก็พูดว่าท่านพญามัจจุราชท่านอยู่ที่ไหนโปรโดมารับลูกไปด้วยเถอแล้วก็วางดอกไม้ทูบถทียนไปตรงทางสามแยกนั้นผ่านไปสามวันมีนกแสกมาเกาะที่ชายคาบ้านตรงหัวเตียงที่ลูกนอนพอดีนกนั้นร้องเสียงดังมากลูกลุกขึ้นแล้วก็เปิดไฟกะว่าจะยิงให้ตายคามือเลย <c oughs> พอเปิดไฟนี้ฮงก็มีแรงบินเข้าตาไม่ตายสักทีนะจึงเดินไปเปิดตู้ที่มีกระจกบานใหญ่เพื่อที่จะเคียมแมลงเคียวแมลงออกจากตาแต่มองไปที่กระจกเห็นตัวเองแต่ไม่เห็นหัวของตัวเองลูกตกใจมาก สุดตัวลงตรงนะไม่ทันได้ตายพระตกใจซะ ก, ก่อนเห็นตัวเองไม่มีหัวปี2543สสลูกสาวกับหลานชายถูกรถชนลูกสาวอาการสาหัสกระโหลกแตกสปรษารับรู้รับรู้กลิ่นลดขาดลูกดูแลรักษาลูกสาวอยู่เป็นปีลูกสาวเจ็บหนัก โดยการอ่านหนังสือธรรมะให้ลูกสาวฟัง mm. อยังใช้ได้อ่านไปอ่านมาอยากจะรู้ว่าเป็นหนังสือวัดไหนจึงรู้ว่าเป็นหนังสือวัดพระธรรม ก, กายลูกเลยโทรศัพท์มาสอบถามรยายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือต่อมาไม่นานก็มีพระภิกษุหนึ่งรูปหนึ่งโทรศัพท์มาที่บ้านเล่าเรื่องกฎแห่งกรรมให้ลูกฟังแล้วก็ชักชวในให้ไปสร้างบุญที่วัดลูกเคยเกลียดพระและกลัววัดมาก จึงส่งลูกสาวกับหลานชายไปก่อนได้พบพระ ร, ะรูปหนึ่งทั้งท่านได้ให้แสงสว่างแก่ครอบครัวเราตั้งแต่นั้นมาครอบครัวของเราก็เริ่มเข้าวัดหลานชายได้ไปบวชธรรมทิญาตที่วัดปัจจุบันบวชได้สองพรรษาและกําลังเรียนอยู่ที่ตุโ ด, ดงกัสถานเขาแก้วเสด็จแม้ลูกจะเข้าวัดแล้วแต่ปัญหาต่างๆก็ยังมีมากจนกระทั่งถึงก ร, รกฎาคมปี2547ลูกจึงตัดสินใจกินยาฆ่าตัวตายครั้ง แต่ก็ไม่สมหวังก็ถูกส่งตัวไปลงไปบ้างโรคจิตพฤศจิกาสี่เจ็ดลูกป่วยหนักสุดลงมาอีกแต่ก็ไม่มีใครเอาใจใส่น้องชายคนเล็กก็เมาอรารวาดลูกเป็นประจําบางครั้งเมาเล่าก็ทําร้ายแม่ด้วยแม่ยุดเจ็ดสิบปีแล้วแต่ยังต้องไปซื้อเหล้ามาให้ลูกชาย หากไปไปซื้อให้เขาก็จะอารวาสและก็ทําร้ายคนในบ้านในช่วงนี้เองสําเนียนหลานชายกลับมาที่บ้าน3วันเพมาขึ้นทะเบียนทหารขากลับลูกจะไปส่งสําเนียนที่ตุ่งสถานเขาแก้วเสด็จด้วยพอไปถึงสําเนีนก็ได้พาไปกราบพระอาจารย์รูปหนึ่งลูกเล่าให้ท่านฟังถึงการปวงลูกว่าเป็นเบาแรงที่มัดลูกมาสิปีและตอนนี้อยู่ในระยะสุดท้ายแล้วนอกจากนี้ยังมีโรคไตและโรคเบาหวานแทรกซ้อนด้วย อาการป่วยยิ่งสุดหนักจิงขึ้นพระอาจารย์กล่าว่าจะลองนั่งสมาธิดูไหมจากนั้นท่านก็ น, นำนั่งสมาธิท่านบอกว่าให้นั่งแบบทิ้งชีวิตไม่ต้องกังวลกับอะไรทั้งสิ้นแล้วนึกภาพไข่ไก่เอาไว้ในกลางทอง <c oughs> ให้นึกเอง <c oughs> ดวงเลือดองพระนึกไม่ออกเพราะเกลียด <c oughs> พระเรระนะี่ยลูกก็ทาตามที่ท่านบอกไปเรื่อย แล้วกดว่าเห็นชัดค่อยๆใสขึ้นและไข่นั้นก็กลายเป็นดวงแก้วใสสว่างอยู่กลางท้องลูกรู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งรอาจารย์บอกว่าให้รักษาดวงแก้วนี้ยิ่งชีวิตโดยการนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอหากลูกกรรมไม่หนักก็จะหายจากโรคมะเร็งได้แต่ถ้าตายก็ไปดีขนาดนี้ก็ยังเห็นกันได้นะ ในวันนี้ลูกไปส่งสามเนรที่จดดวงกับสถานเขาแก้วสเสด็จนั้นก่อนไปส่งสามเนรที่จดดงกับสถานและก่อนเจอพระอาจารย์นี่ก็เลาย้อนหลังลูกในดทเตรียมยาฆ่าปลวกชนิดลายแหลกไปที่บ้านกะว่าจะกินยาฆ่าตัวตายแต่ว่าเมื่อลูกได้เข้าถึงดวงสว่างภายในมีความสุขมากทุกอย่างก็กลับตาลปัดเปลี่ยนแปลงอาการที่ป่วยนานมาตลอด10ปีกลับดีขึ้นตามลําดับ ยิ่งกว่า น, นั้นเวลาผ่านไปอีกหนึ่งเดือนลูกไปตรวจอีกครั้งปรากฏว่าโรคแทรกซ้อนสองโรคคือโรคไตและโรคเบาหวานหายหมดหมองงมากครั้งล่าสุดไปตรวจตับซึ่งมีรอยช้ำ ม, มนเกิดจากโครงมะเร็งรอยช้ำนั้นก็หายไปอย่างอาัศจรรย์ตอนนี้ลูกพ้นขีดอันตรายแล้วตั้งแต่ลูกได้ดวงแก้วและองค์พระลูกสาวจะเคยโกรธและเกลียดลูกก็กลับมาเอาใจใส่ลูกคอยโทรศัพท์มาคุยบ่อยๆ น้องชายทีมเมาหัวราน้ําทุกวันชอบอารวาสอารังแกลูกแัะแม่วันนี้คืนดีก็เดินเข้ามาหาลูกขณะที่ลูกกาลังสวดมนต์อยู่ลูกก็ตกใจนึกว่าเขาจะเข้ามาทําร้ายเหมือนเคยทําแต่เขากลับนั่งลงแล้ะสวดมนต์ด้วยญาติคนหนึ่งที่ไม่ชอบลูกเลยไม่ชอบเลยเกลียดมากอยู่ๆก็ส่งเงินมาให้แ0 0พันเพื่อเป็นค่ายารักษาโรคเังไม่เจ้แค่ทําดวงให้ใสๆก็อมไร้าใสาเนี่ยสมบัติใหญ่ก็ไหลเหม่อ แล้วยังโทรมาบอกอีกว่าถ้าไม่พอก็ให้บอกตอนนี้ลูกเปิดดาวทําทชมทุกวันวันละหลายเวลาอาคําถามก่อนตายพ่อมีกตินิมิตเป็นอย่างไรพ่อตายแล้วไปไหนเพราะวิบตกกรรมอะไรเพื่อ <c oughs> พ่อป่วยทําไมภรรยายและลูกๆคนอื่นไม่สนใจดูแลพ่อเลยมีแต่ลูกดูแลเป็นหลักทําไมแม่จึงโดนพ่อทําเสน่ มีวิบากกรรมอะไรร่วมกันอันนี้น่าศึกษาหรือเป็นกรรมของแม่คนเดียวพ่อเป็นหมอสเสน่หนะจะกระทาแม่จึงมาขอให้ทำสเสน่หทําไมแม่จึงไม่รักตัวลูกเลยไม่ให้ลูกเรียนหนังสือต่อทั้งๆ ท, ท, ที่พี่น้องกันดูดีค่ะคนได้เรียนต่อกันหมดทําไมลูกเกิดในดงอันตพานมีนิสัยนักเลงห้าวเหมือนผู้ชายชอบจกต่อยตีลันฟันแทงทําไมลูกสามารถปกป้องและปกครองผู้ชายได้ บาปที่ลูกตายและตีพระภิกษุนั้นหนักมากไหมนี่แคต่ตายตีนะถ้ายิงตายนี่นะหนักทีเดียวจะแก้ไขอย่างไรทําไมลูกถึงทําได้ถึงขนาดนั้นทําไมลูกจึงมีสามีชจ้าชูอันภ า, านทั้งสองคนทําไมสามีคนแรกจึงตามจองล่างจองผลาลูกทุกวิธีทางการอะไรที่ทาให้ลูกชายลูกเป็นโรคเม็ดเลือดก็าหายป่วยเพราะเหตุที่ลูกได้บ่นไว้กับหลวงพ่อวัดไร่ ข, ขิงหรือไม่ เรากำไดทําไมหลานชายและลูกสาวจึงถูกรถชนจนลูกสาวมีอาการสาหัสฐานกระโหลกแตกน้องสะพ้ยมีกรรมอย่างไรจรึงตายด้วยโรคปอดบวมแล้วทําไมน้องชายลูกจึงมีอายุสั้นดื่มเหล้าจนตายตามตอนนี้ทั้งสองอยู่ไหนก็ได้รับบุญที่สามในลูกชายบวชหรือไม่ทําไมสามในยังเกิดในครอบครัวที่มีปัญหา ม, มากบุญอะไรสามในยิ่งได้มาเจอมูกคณนะและได้บวชตั้งแต่เด็ก กรรมอะไรท่ทำให้ลูกป่วยเป็นมะเร็งและทำให้ลูกพยายามฆ่าตัวตายถึงสี่ครั้งแต่ทําไมไม่ตายและครั้งสุดท้ายสมาธิช่วยลูกหาจากโรคมะเร็งได้อย่างไรครั้งที่ลูกทําพิธีท่านมัจจุราชมารับนั้นท่านรับทราบหรือไม่และนกแสกมาทําไมหมายถึงอะไรแล้วทําไมเมื่อลูกมองไปที่กระจกเห็นมีติดตัวไม่เห็นหัวของตัวเองหมายถึงอะไรทําไมจึงเป็นเช่นนั้น เมื่อครั้งที่ลูกนั่งสมาธิที่ตุดงคตสถานเขาแก้เสด็จทําไมลูกถึงเข้าถึงได้รวดเร็วทั้งที่เมื่อก่อนนั่งเมื่อก่อนจะได้ผลดวงสว่างที่ลูกเห็นตอนนั้นเป็นเพียงนิมิตหรือเป็นดวงปฐมมรรคแล้วอุบัติที่ลูกเห็นในปัจจุบันเป็นเพียงนิมิตหรือเป็นพระธรรมกายพระอาจารย์จะเป็นนิมิตรูปแรกเมื่อครั้งที่ลูกติดต่อมาที่วัดใหม่ๆและเรื่อที่สอนสมาธิให้ลูกจนเข้าถึงดวงสว่างจะได้อานิสงส์อย่างไร และแต่นั้นสองรูปเคยเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกในชาติทีผ่ผ่านมามหรือไม่นี่ก็สิบสี่ข้อเอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะก่อนตายคตินิมิตของพ่อเศร้าหมองทันทีที่หมดอายุไขเจ้าหน้าที่ก็มารับตัวไปยมมลกพ่อไม่ต้องครบให้ครบเจ็ดวันมาเลย พ่อผิดศีลครบทุกข้อแต่เริ่มรับโทษทันอันดับแรกคือถูกโยนไปในหม้อทองแดงร้อนหรือที่เรียกว่าโลหะกุมพนะีมีน้ำทองแดงร้อนๆไม่ต้องจับกรอกแช่งไปเลยแล้วกรรมสุราและศีลข้ออื่นที่ไม่เป็นมหานรกเพราะตอนท้ายของชีวิต พอคิดได้แล้วก็รู้สึกสำนึกผิดเกิดฮีริโอตปาดแต่กรรมยังหนักอยู่จึงต้องเริ่มต้นที่โลหะคุมพีก่อนจ้ะที่ผ่านมาพ่อกะทำกับภรรยาและบุตรเอาไว้เยอะแล้วก็ไม่ค่อยส่งเคราะห์บุตรภรรยาอีกทั้งบุญบุญที่เลี้ยงดูบิดามารดาก็ไม่ค่อยจะมีลูกจึงได้รับบุญแทนจ้า การจะโดนเสน่ได้ก็ต้องมีกรรมร่วมกันมาแน่ดีพ่อก็เคยทำเสน่ห์แม่มาเหมือนชาตินี้แต่ทำให้กับชายอื่นคือแม่มาจ้างให้ทำเพราะพ่อก็เป็นหมอเสน่ห์โดยกรรมนี้ชาตินี้แม่จึงมาโดนทำเสน่ห์บ้านเรามีเชื้อวิบากของแม่ดึงดูดมา เป็นกรรมเก่าของแม่ที่โดนทำเสน่หจะเป็นกรรมใหม่ของพ่อจะนี่อดีตหมอเสน่ก็มาเป็นสา ม, มีของอดีตลูกค้าเนี่ยที่ลูกไม่ได้เรียนหนังสือต่อก็เพราะกรรมส่วนตัวลูกที่แนอดีตลูกเคยมีลูกเลี้ยงติดสามีมาตัวเองก็กดและแกล้งลูกเลี้ยงหลายอย่างรวมทั้งไม่ยอมให้ ลูกเลี้ยงไปเรียนหนังสืออีทั้งขาดบุญด้านส่งเสริมการศึกษาด้วยจ้าแต่ความจริงแม่ของลูกเนะี่รักลูกเหมือนลูกทุกๆคนนะแต่วักกรรมของลูกบันดาลให้แม่คิดอย่างนั้นไนดะ้ดีลูกเคยเป็นผู้ชายเป็นหัวหน้าอันดับพรานเลยมีตะบะทางนี้ติดมาในชาตินั้นได้ดื่มเหล้าเจ้าชู จาดนี้จึงได้มาเป็นผู้หญิงและก็ได้สามีดื่มเหล้าเจ้าชู้เหมือนตัวลูกในอดีตและลูกจะมีความสามารถหรือตะบะปกป้องปกครองผู้ชายได้ก็เพราะว่าเคยเป็นมาก่อนเป็นหุหน้าแก้งมาก่อนอีกทั้งต้องมาเกิดในแวดวงอันรพาลจ้าตอนช่วงนั้นที่ลูกตีพระได้นะพระใจยากเนื่องจากครบคน่านเลยไม่เห็นว่าเป็นพระ แต่เห็นเป็นคู่อริที่มาบวชเป็นพระคือคู่อรินั่นแหละมาบวชเป็นพระคือแทนที่เห็นเป็นพระแต่เห็นว่าไอ้นี่มปนคู่อริเราหี่จะมีปลาเหลืองห่มมาก็ใหม่สานึกกระชากปลาเหลืองแล้วก็ตีกันเลยบาปตีพระนั้นหนักมากตายไปจะไปเกิดในมหานรกขุมหนึ่งจะไปถูกตบตีในมหานรกยาวนานโดยมือเหล็ก ร้อนของในนิรยาบาลจะเกิดขึ้นในวิบากกรรของตัวแล้วก็จะผ่านขั้นตอนมาไปยังอุสุธนลกยมโลกเมื่อมาเป็นเปรตมือเท้าใจใหญ่โตเท่าใบลานแต่ว่าหนักเหมือนเหล็กทวงแล้วก็มีไฟลุกโชนช่วงที่ฝ่ามือมือทั้งสองจะทุกข์ทรมานมากเมื่อมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะเป็นเพศจะถูก เขาลา่าหรือถูกทำร้ายหรือถูกนำไปทรมานเช่นเอาไปให้ต่อสู้กันจนตายเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะถูกทุบตีทำร้ายร่างกายจะไม่แข็งแรงจะมีโรคภัยแค่เจ็บมากแล้วก็จะเกิดอยู่ในหมู่ของคนผ่านซึ่งจะทำให้เข้าไปสู่วงจรอบายอีกจะแก้ไขแล้วก็อดีตที่ผิดพลาดลูกต้องลืมให้หมด ให้รีบสร้างบุญทุกบุญแล้วก็อุทิศไปยังคนที่เราไปทำร้ายเขาให้มากมากโดยเฉพาะพระนั่นแหละ<อ>แล้วต้องปฏิบัติธรรมจนพระใสใสซึ่งลูกก็ได้อยู่แล้วนั่นแหละทำให้ติดอยู่ในกลางกายตลอดชีวิตจ้าลูกวิสามีอยู่สองคนคนแรกเจ้าชู้แล้วเป็นอันตรพาลก็เป็นภาพในอดีตของลูกกันแหละลูกก็เคยเป็นอย่างนี้มาก่อน แล้วที่สามีคนแรกจองล้างจองผ่านเพราะไปผิดคำสัญญ า, เ, าเรื่องเงินกนะับเขาเป็นกรรมปัจจุบันสองมื 20, ่นบาทนั่แหละที่ลูกครบคนผ่านเป็นกรรมของลูกและลูกก็ผ่านด้วยกรรมปัจจุบันที่ลูกครบคนผ่านแล้วก็ลูกก็ผ่านด้วยนะผ่านคือไม่ไม่ให้เงินเขาตามที่สัญญาเขาเนนะี่ยที่จ้างยานะลูกชายลูกเป็นโรคเม็ดเลือดพละเนดี มีกรรมที่เคยเป็นนักเลงที่คอยขูดรีดไถจะอยู่ในยูนิฟอร์มไหนถ้าคอยขูดรีดไถแล้วก็จะเป็นโลกเลือดอย่างเงี้ยเก็บค่าคุ้มครองของชาวบ้านอยู่ช่วงหนึ่งแต่ตอนหลังก็เลิกเพราะนั้นเสร็จกรรมตอนนี้เบาบางลงแล้วจึงหายได้ละจ้าล้านชายและลูกสาวถูกรถชนเพราะไปช่วยรมทร้ายในชาติที่ลูกสาวเกิดเป็นผู้ชาย ได้เป็นเพื่อนกันหลานชายของลูกสาวก็เป็นผู้ชายด้วกันทั้งคู่ในชาตินั้นแต่ว่าลูกสาวมีกรรมเจ้าชู้ก็ เ, เลยมาเป็นผู้หญิงตัวลูกสาวเนี่ยได้ไปใช้ไม้ฟาดฟาดเขาจึงกระโหลกแตกชาตินี้ก็เลยทั้งหลานชายและลูกสาวก็ามาถูกรถจนน้องสะพยเป็นปลอดบวมตายเพราะกรรมในอนอดีตน้องสนะพยเนี่ยได้เกิดเป็นผู้ชายอยู่ชายทะเลจับขโมยได้ จะขโมยไปมัดอยู่กับหลักในทะเลแล้วปล่อยให้น้ำขึ้นน้ำขึ้นน้าลงแช่อยู่ในน้ำให้น้ำเป็นเป ล, มปลมจมูกนกั่นแะจนกระทั่งขโมยสำลักน้ำตายพน้ำข้าวปาดจมูกทรมานมากน้องชายโยตาแล้วดื่มเหล้าจนตายตามกับเราะน้องชายในอดีตก็ดื่มเหล้าจนตายอย่างนี้มาหลายชาติแล้วแล้วได้อยู่ในวงจรอะบ า, ายมาหลายครั้งแล้ว พงจรอบายคือไปมหานรกอุสธะยมโลกไปสุลกาสัตว์เดชาและกามังนน้องชายมาตายแล้วตอนนี้ก็ไปอยู่มหานรกขุมห้ากำลังโดนกรอกน้ำกรดสีดำร้อนไม่ได้รับบุญที่ลูกชายบวชเป็นสามมณีในนห้พอไปอยู่ในมหานรกส่วนน้องสะพ้ายตายแล้วก็ไปเป็นผีอรเลตตบมาก็ได้รับบุญบวชจากลูกเนย งได้ไปเป็นภุมะเทวาระดับที่ยังไม่ค่อยจะดีนักยังลำบากอยู่แต่ก็ดีกว่าเดิมจ้ะสำเนีงเกิดในครอบครัวที่มีปัญหามากเพราะกรรมแนอดีตก็เคยคบคนผ่านโดยเคยเกเรและเป็นอันตภานมาก่อนมีทั้งบุญและบาปบุญก็เคยคบกับบัณฑิต แล้วก็เป็นอรมิตชักชวนคนําความดีและก็เคยบวชกับหมู่คณะมาก่อนจ้าแต่บางชาติก็ไม่ได้บวชยังครึ่งครึ่ ง, ง, งกลางๆอยู่ห0 5 0ิบห้าสิแต่จัดนี้เห็นภายในพระตาสงสารตั้งใจบวชจนตลอดชีวิตก็จะมีผังดีติดตัวไปจ้กำกำากรรมกาเมทําให้ลูกนํามาเป็นมะเร็งอธิฆาตัวตาถึง4ครั้งแต่ไม่ตายกับเพราะตอนที่ลูกเป็นอันตาพานเจ้าชูนะ เคยทำให้เขาตรอมใจคิดฆ่าตัวตายจ้ะก็เลยคิดฆ่าตัวตายอย่างนั้นแหละแต่บนุนที่เคยทำกับหมู่คณะในอดีตได้ตามมาช่วยเอาไว้จึงไม่ตายสักทีหลายครั้งที่แล้วลูกก็เคยบวชสร้างบรมีกับหมู่คณะและหลายครั้งก็ได้ชวนญาติโยมทำบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแต่มาประมาทในการดำเนินชีวิตของสมณนะจึงได้ลาสิกขาออกจากบมู่คณะไป ทั้งๆ ท, ที่ก่อนหน้านั้นก็เคยปฏิบัติธรรมได้ดีตอนเป็นพระนะี่ยโดยบุญเก่าที่เคยปฏิบัติธรรมตอนบวชตามมาส่งผลจึงทําให้ลูกได้เข้าถึงดวงธรรมและองค์พระใสใสและบุญที่เคยชวน ญ, ญาติโยมปล่อยสัตว์ตามมาส่งผลจึงหายป่วยได้จ้ะเพราะชวน ญ, ญาติโยมปล่อยสัตว์ปล่อยป ล, ยปลาในชาตินั้นนะ่ยให้ชีวิตก็เป็นทานพระอาจารย์ทั้งสองเคยเป็นเพื่อนสหธรร ม, มิกบวชด้วยกัน คุณเคยกันมานี่ยดีดหลายกลับมาแล้วนานมากก่อนที่ลูกจะหลุดออกไปจากหมู่คณะอาจารย์พราะอาจารย์ที่สอนให้ลูกเขาถึงดวงธรรมเขจะทําให้ท่านแต่เขาถึงธรรมเช่นเดียวกันจ้ะจะเป็นอนิสงส์ของพระอาจารย์ที่สอนให้ลูกเขาถึงดวงธรรมก็จะได้เข้าถึงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้ในใครพลัดจากหมู่นนั้นในชาตินี้ก็อีกหลายกับทีเดียวแหละยาว จะเป็นดวงใสหรือองพระก็ให้รักษาไว้ย้ายหายแล้วยามทำต่อไปให้ใสายสว่างยิ่งยิกันไปจ้าอย่าไปสนใจว่าใช่หรือว่าไม่ใช่ให้ทำใจหยุดนิ่งให้สนิทเดี๋ยวก็รู้ได้ด้วยตัวเองจนหายสงสัยละจ้าเจ้าหน้าที่เขตรับทราบว่าลูกอยากตายที่ลูกบอก็พยายามจูล่าอยู่ตรงไหนให้มารับไปด้วยเขาก็รับทราบ แต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาเขายังรับไปไม่ได้จึงยังไม่ได้มาลูกไม่ต้องกลัวหรอกถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็มาแต่ถ้าเห็นดวงสใยหรือองค์พระก็ลูกก็ไปด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีใครมารับแล้วก็จะดีกว่าด้วยจ้าแต่ถ้าเจ้าหน้าที่เขตเขามารับรโนโนนและ่ะแต่ถ้าไปด้วยตัวเองจะไปดีนกแสกมาโดยบังเอิญพอกันพอดีกับจังหวัดที่อยากตาย จิงทำให้ตาฝาดเห็นตัวเองในกระจกไม่มีหัวเลยเอาเรามาดูภาพกันก่อนตอาคตินิมิตของพ่อเศร้าหมองตอนที่ที่หมดอายุขายเจ้าในที่กันมารับตัวไปย ม, มโลกพ่อผิดศีลครบทุกข้อนั่นแหละโลหะคุมพีและมันจะเป็นหม้อใหญ่ๆเห็นนั้นก็จะมีน้ำทองแดงร้อนๆโลหะลอมเหลวร้อนๆ คือไม่ต้องเจ้าหน้าที่ไม่ต้องจับกอกระวิจแช่ให้อิ่มกันไปเลยเนะี่ยเพราะพ่อผิดศงลครบเจ้าข้อจะเริ่มโทษทันนดับแรกก่อนคือถูกโยมนได้หมอ้อทองแดงร้อนหรือที่เรียกว่าโลหะคุมพีเพราะกรรมสุราและศีลข้ออื่นที่ไม่ไปมหานรกเพราะตอนทางชีวิตพ่อคิดได้และรู้สึกสำนึกผิดเกิดหิริโอตตะปะแต่กรรมยังหนักอยู่จึงต้องเริ่มต้นที่โลหะคุมพีก่อน มาเริ่มตอนทางนี้ก่อนมันไปตามบุญบาปที่อยู่ในใจตอนช่วงไหนมากหรือน้อยนัย่นแหละถ้าไปตอนช่วงน้อยส่งผล ก, ก่อนก็กรรมก็เบาถ้าส่งผลมากกรรมมันก็แรงที่ผ่านมาพ่อทั้งกับภรรยาและบุตรไว้เยอะแล้วก็ไม่ค่อยจะสงเคราะห์ บ, บุตรภรรยาอีกทั้งบุญเลี้ยงดูบิดามารดาก็ไม่ค่อยจะมีลูกจึงได้รับบุญนี้แทนจ้ คือมาดูแลพ่อการจะโดนเสน่ได้ต้องมีกรรม ร, ร่วมกันมาในดีพ่อเคยทำาสน่หแม่มาเหมือนชาตินี้แต่ทำให้กับชายอื่นคือแม่อยากให้ชายอื่นเรักในชาตินั้นแต่กรรมนิชาตินี้แม่จึงมาโดนทำเสนิบ้างเพราะมีเชื้อวิบากของแม่ดึงดูดมาเป็นกรรมเก่าของแม่แต่เป็นกรรมใหม่ของพ่อที่รูกไม่ได้เรียนหนังสือตอบเพราะกรรมส่วนตัวของลูก ในอดีตลูกเคยมีลูกเลี้ยงติดสามีมาตัวเองกดละแกล้งลูกเลี้ยงหลายอย่างครวมทั้งไม่ยอมไปเข้าเรียนอีกทั้งขาดบุญด้านส่งเสริมการศึกษาด้วยแต่ความจริงๆแล้วเนะี่ยแม่เนะ่ยรักลูกเหมือนลูกทุกคนนั่นแหละแต่เปนกรรมของลูกเองในอดีตลูกเคยเป็นผู้ชายเป็นหัวหน้าแกล้งอันดภานในชาตินั้นได้ดื่มเหล้าเจ้าชู้ชาตินี้จึงมาเป็นผู้หญิง และได้มีได้สามีดื่มเหล้าเจ้าชู้เหมือนตัวลูกในอดีตและมีความสามารถฤตะบะปกป้องคุ้มครองผู้ใจได้อีกทั้งต้องมาเกิดในแวดวงอันธพาลช่วงนั้นที่ลูกตีพระได้พระใจหยาบตั้งอากครบคนบานและไม่เห็นว่าเป็นพระแต่เห็นเป็นครูอริที่บวชเป็นพระบาปตีพระนั้นหนักมากตายไปจะเกิดในมหาราตคุ้มหนึ่งจะถูกตบตีในมหารายาวนาน ตล้กนกันต่ยังอุสุธรกยมโรคเมื่อมาเป็นเ ป, นเปลดมือเท้าจะใหญ่โตถ่าใบลานแต่หนักเหมือนเหล็กถ่วงแล้วก็มีไฟลุกโชดช่วงทุกทรมานมากแต่ถ้าข้าพระนันโ น, อนอย่างน้อยก็เอาเวจีแต่ถ้าเป็นประกอบไปด้วยมิจฉาทิฐิด้วยก็ไปโลกันนั่นแหละข้าพระเมื่อมาเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเป็นเพื่อถูกล่าถูกทำร้าย แล้วถูกนำไปธรมานเช่นเอาไปให้ต่อสู้กันจนตายเมื่อกับมาเกิดเปนมนุษย์จะถูกทุบตีทำร้ายร่างกายก็จะไม่ค่อยแข็งแรงมีโรคภัยแค่เจ็บมากแล้วก็จะอยู่ในหมู่คนผ่านซึ่งจะเข้าไปสู่วงจรของอาบายจะแก้ไขอดีตที่ผิดพลาดลูกต้องลืมให้หมดแล้วก็รีบสร้างบุญทุกบุญแล้วก็ทิศไปยังคนที่เราไปทาร้ายให้มาก เาก็ตปฏิบัติทำยมพระใสใสติดอยู่ในกลางกายตลอดชีวิตลูกมีสามีสองคนแรกเจ้าชู้แล้วเป็นอันดับผานเป็นภาพในอดีตของลูกแล้วติดสามีคนแรกจากล่างยังผานเพราะไปผิดคำสัญญา เ, าเรื่องเงินกับเขาเป็นการปัจจุบันที่ลูกคบคันผานแล้วลูกกับผานด้วยนะไม่เอาเงินให้เขาก็เอาเงินไปให้เขาซะกหมดเรื่องจะได้ตัดเวรลูกช้างลูกเป็นโรคเม็ดเลือดเพราะในอดีตมีกรรมด้เคยเป็นนักเลงคอยขูด รีดไถเก็บค่าคุ้มครองชาวบ้านอยู่ช่วงหนึ่งแต่ต่หลังเลิกเมื่อเสร็จการเบาบางลงจึงหายได้หลานชายลูกสาวถูกรถชนเพราะไปช่วยรวมทําร้ายในชาติที่ลูกสาวเกิดเป็นผู้ชายชาตินั้นได้เป็นเพื่อนกับหลานชายลูกสาวได้ไปใช้ไม้ฟาดเขาจนกระโหลกแตกชาตินี้เดินรถชนกระโหลกแตกน้องสะภ้าเป็นปอดบวมตายเพราะกำเนิดดีดน้องสะภ้ยได้เกิดเป็นผู้ชายอยู่ชายทะเล จะขโมยได้กเอาขโมยเป็นมัดอยู่กับหลักแล้วก็ปล่อยให้น้ําขึ้นน้ําลงระดับจมูกอยู่ในน้ําทะเลจนกระทั่งสำลักน้ําจนตายเพราะน้ําท่วมเข้าปากจมูกทรมานมากน้องชา ย, ยุศซันและดื่มเหล้าจนตายเพราะน้องชายในอดีต ด, ดื่มเหล้าจนตายอย่างนี้มาหลายชาติแล้วมันก็เลยเป็นผังติดตัวมาแต่อยู่ในวงจอรอบายมาหลายครั้งแล้วตายแล้วก็ไปอยู่มหาลัรบขุมหทันที กำลังโดนกรลอกน้กํากระอสีดําร้อนอยู่ไม่ได้รับบุญที่ลูกชายบวชเป็นสามเณรเลยส่วนน้องสะพ้ายตายแล้วก็ไ ป, ไปเป็นผีรั่นเล่ต่อมาก็ได้รับบุญบวชจากลูกเนนจึงได้ไปเป็นภูมมัททิว า, าระดับที่ยังไม่ค่อยจะดีนักแข่งลาบากอยู่แต่ก็ดีกว่าเดิมสามเณรเกิดในครอบครัวที่มีปัญหามากเพราะกําเนิดเด็กเคยคบคนพาลเคยเกเรแล้วก็เป็นอันธรานมาก่อนมีทั้งบาปและบุญ บนน่ะเคยเขาบัณฑิตเป็นกไกลมิตชักชวนคนทําความดีเคยบวกมูคนะ่คณะตะบางชาติก็ไม่ได้บวชอย่างครึ่งๆกลางๆถ้าชาตินี้เห็นภัยในวัฏฏสงสารตั้งใจบวชจนตลอดชีวิตถ้าทาได้ก็จะมีผังดีติดตัวไปจ้าการการเมทําให้ลูกเป็นมะเร็งที่ฆ่าตัวตายทั้งสี่ครั้งแต่ไม่ตายเพราะตอนที่ลูกเป็นอันตพานเจ้าชู้ เคยทำให้ผู้หญิงก็ตรอมใจคิดฆ่าตัวตายแล้วก็ก็ไปฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่ตายแต่บุญที่เคยทำกับมูขคณะในอดีตได้มาช่วยเอาไว้จึงไม่ตายและกคับที่แล้วลูกเคยบวชสร้างบารมีกับมู่คณะและหลายครั้งก็ได้ชวนญาติโยมทําบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาต่อมาประมาทในการดําเนินชีวิตในลาสิกขาออกจากหมู่คณะแต่ ท, ทั้งที่ก่อนอนนี้เคยปฏิบัติธรรมได้ดีเพราะฉะนั้นนักบวชกระพึง สำนึกเอาไว้ให้ดีจะประมาทในการดำเนินชีวิตแม้จะมีธรรมะปฏิบัติดีเพียงอะไรก็ตามโอกาสพลาดพลั้งได้เนี่ยเหมือนอดีตนักบวชอยู่คนเริ่มต้นชีวิตก็ดีๆนะเป็นนักสร้างบารมีที่ดีปฏิบัติธรรมะก็ดีเคยได้ธรรมะก่อนจะได้ก็ นั่งธรรมะตอนหน้าครูไม่ใหญ่น่แหละไปเรียนกับครูไม่ใหญ่ที่บ้านธรรมประสิษฐพอดีมันจะกล้ไรเพลนแล้ะก็ตัดสินใจปล่อยชีวิตทำไม่ได้มีลูกอกียรติจะไม่ขยับตัวเนี่ยปรากฏว่าได้เห็นดวงใสองค์พระใสๆต่อมาก็เลย ม, มาเป็นกำลังทำงานแล้วก็มาบวชก็ตั้งใจดีนะ แต่นแลกๆก็ดีมาเรื่อยๆเลยครูไม่อยากกระส่งเสริมสนับสนุนตรมาก็ประมาทในการดำเนินชีวิตเมื่อลาภสการะเกิดขึ้นเยอะความอยากก็เข้ามารบกวนใจเพราะอยากแท้ๆนี่แหละจะทำให้แย่อยู่ทุกวันก็คงจะต้องพัดพลากันไปอีกหลายกรับทีเดียวถ้าใจหม่องก็ นูนลึกทีเดียวแหละถ้ามองปานการก็ตื้นกันมาหน่อยโดยพื้นเก่าที่เคาปฏิบัติทําตอนบวชตามมาส่งผลจึงทําให้เข้าถึงดวงและองค์พระและพุทธทเคยชวนญาติโยมปล่อยสัตตามาส่งผลจึงหายป่วยได้พระอาจารย์สองเคยเป็นเพื่อนสะาดธรรมิกบวชด้วย ก, กันคุ้นเคยกันมาในอดีตแลายกลับมาแล้วก่อนที่ลูกจะหลุดออกไปจากหมู่คณนะพระอาจารย์ที่สอนให้ลูกไปถึงดวงทําก็จะทําให้ท่านได้เข้าถึงธรรมะเช่นเดียวกันจา จะเป็นดวงใสหรือองค์พระก็ให้รักษาไว้ย้ายหายแล้วพยายามทําต่อไปให้ใสสว่างยิงยิ่งขึ้นไปจะไปนสนใจไปใช่หรือไม่ใช่ประโยชน์ในเสนิทเดียวก็รู้ได้เดี่ยตัวเองจนหายสงสัยเจ้าาที่เขียนรับทราบว่าลูกอยากตายแต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่มาโลกไม่ต้องกลัวถึงเวลาเขาก็จะมาเองแต่จะเห็นดวงใสหรือองค์พระก็จะไปด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีใครมารับแล้วก็ดีกว่าด้วยนกแสกมาโดยบังเอิญ พร้องกันพอดีกับจังหวะที่อยากตายจิงตา่าเ็นตัวเองในกระจกไม่มีหัวนี่ก็เป็นเรื่องราวของแคสตี้สั้นๆเลจ้ะ